โอกาสที่เราจะเจอพระพุทธศาสนานะน้อยนะถ้าพอวนาเราเกิดระลึกชาติได้ยาวไปเนะี mm. มม่ยคือพบไอชาตที่พบพบุทธศาสนามีน้อยชาติที่ไม่พบนะมีมากชาติใดที่เราพบพระพบุทธศาสนานะเรามีทิศทางในการดาเนินชีวิตเรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเรามีภารกิจอะไร ชาติที่ไม่มีพุทธศาสนานะเราก็เป็นคนดีได้มีทำทานถือศีลทำสมาธิได้แต่ชีวิตไม่มีเป้าหมายมันไม่ชัดเจนว่าเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรโอกาสนี้ดีแล้วที่ได้พบพุทธศาสนาอย่าทิ้งโอกาสอันดีนี้เสียสะสมไปถึงชาตินี้จะไม่ได้มรรคผลนะ แต่มันจะสร้างความเคยชินที่จะปฏิบัติชาติต่อๆไปมันจะอยากปฏิบัติแต่แต่เล็กๆ เ, เด็กๆ ก, ก็อยากปฏิบัติลนะก็ลงมือปฏิบัติไม่นานก็แยกธาตุแยกขันได้บางคนแค่ตกใจนิดเดียวนะตอนเด็กๆไปเจอสิ่งที่ตกใจนิดเดียวจิตเขาหลุดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขันแยกออกไปเลยเพราะฉะนั้นเป็นผลจากที่เคยฝึกอะ ถ้าไม่เคยฝึกไม่เป็นหรอกตัวอย่างองค์แรกเลยคือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นนั่งอยู่ใต้ต้นว่าตอนอายุไม่กี่ขวบนั่งสมาธนะิทำไมต้องนั่งสมาธิแทนที่จะวิ่งเล่นเพราะเคยชินที่จะปฏิบัติปฏิบัติแล้วไม่มีใครสอนอยังเด็กอยู่นี่นก็ปฏิบัติไปด้วยความเคยชินที่สะสมมาตรงนี้แหละของดีและ ไม่ได้มีมัรยาไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังว่าเขาปฏิบัติกันยังไงทําอย่างโน้นสิทําอย่างนี้สินี่รู้ซื่อไปเลยหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปจิตรวมได้ปฐมฌานนี่ของเก่าปฐมฌานตัวนี้เป็นปฐมฌานที่เป็นลักขนุปนิชานจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นต่อมาพอโตนะก็ได้ยินข้อมูล จากฤาษีชีพไฟทั้งหลายจากนักปฏิบัติคนเก่งทั้งหลายก็เรียนแบบเขาะนะาวนามไม่ได้ออกจากวังไปบวชวัยยี่สิบเก้าปีสิ่งแรกที่ทําก็คือไปเรียนนั่งสมาธิฤาษีอันนี้เป็นลักษณะทั่วๆไปเลยคนรุ่นเราก็เป็นคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหรก็คิดถึงนั่งสมาธิระหูรับตาทุกทีอะไปอยู่กฤาษีได้ไม่กี่วันนะได้ฌานที่แ แต่นี่เป็นฌาแนแปดแบบอารามมณูปนิชฌานเพ่งอยู่ในความไม่มีอะไรเพ่งจนกระทั่งความรู้สึกตัวเกือบจะดับไปท่านพบว่าไม่ใช่ทางพอออกจากสมาธิแล้วก็ทุกข์อีกท่านก็เลยไปฝึกท ร, รมานตัวเองอยู่หลายปีหปีที่ออกมาบวชนะกว่าจะบรรลุธรรมเนี่ยเวลาส่วนมากที่ท่านใช้นะั่นคือใช้ท ร, รมานตัวเองหาวิธีด้วยตัวเอง ผ่นไปเกือบหกปีนะถึงได้คิดถึงคําว่าทางสายกลางขึ้นมาในตําลาก็พูดถึงพระอินทร์มันดีดพินสามสายให้ฟังจะดีดไม่ดีดเราก็ไม่รู้นะพวกเราไม่ได้มีหูมีตารวมความแล้วก็คือท่านพบว่าตึงไปก็ใช้ไม่ได้หย่อนไปก็ใช้ไม่ได้หย่อนไปในสมัยท่านเป็นเจ้าชายมันหย่อนมีกรรมสุข คนทั้งหลายแสวงหาความสุขนะหนีความทุกข์ตลอดเวลานี่คนและสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปเนี่ยแสวงหาอารมณ์ที่มีความสุขเรียกว่าการมาสุขอารมณ์ที่เป็นกรรมสุขรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจนะคิดว่าถ้ามีการมาสุขได้สิ่งนี้ได้ดูนนี้ได้ฟังอันนี้ได้กินอันนีนะ้ได้อยู่อย่างนี้มีเสื้อผ้าอย่างนี้อนะไรนีมีคนรักอย่างนี้จะมีความสุข ท่าเป็นเจ้าชายท่มีสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วท่านก็พบว่ามันไม่เห็นจะสุขเท่าไหร่เลยเหมือนพวกเราเนี้ยคิดว่ารวยๆแล้วจะสุขมีโน้นมี น, น, มนี้จะมีความสุขจะมีครอบครัวจะมีความสุขอันนั้นคือาการหาความสุขอย่างที่ชาวโลกเขาหาอย่างที่สัตว์ทั้งหลายหากันอยู่แล้วก็พบว่ามันไม่มีจริงหรอกท่านก็มาหาความสุขแบบใหม่นะการมาฝึกจิตฝึกใจตัวเองมาทรมานกายมาทรมานใจจะหาความสุข ก็หาไม่ได้อีกทางสายกลางนะี่คือทางที่ไม่สุดตรงไปสองข้างข้างหลงตามกิเลสไปกับข้างบังคับกดข่มตัวเองคนทั่วไปที่ไม่ปฏิบัตินะั้นมันจะหลงตามกิเลสตลอดเวลาหลงเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดนึกให้สนุกสนานเพลิดเพลินนักปฏิบัติที่ผิดๆนะก็เริ่มด้วยการบังคับกายบังคับใจจะเดินจงกรมก็ต้องท่านี้ เดินท่าปกติไม่ได้เดินต้องเดินเหมือนเหมือนอาจารย์อะไรอย่างนีนะ้จะนั่งก็ต้องนั่งท่านี้หายใจก็ต้องหายใจอย่างนี้ให้ลมลึกลงมาถึงจุดนี้จุดนี้อะไรมากมายเรื่องราวที่มากมายจะขยับมือก็ต้องขยับท่านี้ท่านี้ไม่ได้ต้องท่าอย่างนี้อะไรองนี้นี่เป็นความหลงทั้งสิ้นเลยเป็นการทรมานตัวเองบังคับกายบังคับใจ แต่เบื้องต้นจะบังคับไว้ก่อนดีกว่าปล่อยเอาไปพุทเจ้าเคยบอกนะถ้าหากปล่อยตามกิเลสก็จะจมลงถ้าควบคุมกายควบคุมใจจะลอยขึ้นลอยขึ้นคือไปสุขติแต่ไม่นิพพานทางสายกลางก็ต้องไม่เผลอไปก็ไม่เพ่งน้อยนะที่หลวงพ่อพูดได้้ไม่เผลอไม่เพ่งเงั้นดำารงชีวิตอยู่นะแบบพอดีพอดีสิ่งที่เรียกว่าทางสายกลางนะถ้าแจกแจงออกไปว่าต้องทาอะไรบ้าง มันก็คือการศึกษาว่าทำยังไงจะเกิดศีลทำไงจิตจะตั้งมั่นทำไงจะเจริญปัญญาได้ศีล ส, สมาธิปัญญานั่นแหละที่เรียกว่ามรรคหรือทางสายกลางศีลที่จำเป็นคือศีลห้าจำไหมนะศีล 200-300 ข้ออะไรไม่ใช่ศีลจำเป็นเป็นเรื่องระเบียบพิธีปฏิบัติการดำารงชีวิตเรื่องมารยาทเรื่องอะไรซะมากเลย สี่ที่จําเป็นจริงๆก็คือศีลงห้าข้อหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นข้อห้าไม่เบียดเบียนสติของตัวเองข้อหนึ่งเบียดเบียนชีวิตร่างกายเขาเสิ่งที่เขารักที่สุดคือชีวิตร่างกายงข้อนี้ขึ้นมาข้อแรกเลยไม่เบียดเบียนทรัพสมบัติของเขาเพราะเขารักทรัพย์สมบัติไม่เบียดเบียนรูปเมียเขาเพราะเขารักรูปเมียเขา ไม่เบียดเบียนชื่อเสียงเกียรติยศเขาด้วยการใส่ร้ายป้ายสีด่าว่าเขาเนี่ยเราไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าไม่เบียดเบียนคนอื่นเราไม่เบียดเบียนสติของตัวเองด้วยการคิดเล่าเมายานเราจะมีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปคนที่คิดเบียดเบียนคนอื่นนั้นจะหาความสุขความสงบไม่ได้คนที่คิดจะฆ่าเนี่ยไม่มีความสุขไม่มีความสงบไม่เหมือนคนที่มีเมตตา คนที่คิดจะรักขโมยของคนอื่นไม่มีความสุขไม่มีความสงบไม่เหมือนคนที่รู้จักให้คนอื่นคนที่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะมีกิ๊กมีอะไรไม่มีความสงบไม่มีความสุขที่แท้จริงนะเป็นสัญชาตญาณของสัตว์นักล่าเท่านั้นเองมันไม่เหมือนคนทึ่มีความสันโดษในคู่ของตัวเองนะใจสงบนะคนที่โกหกหลอกลวงใจฟุ้งซ่านคนที่พูดความจริงใจสงบ เห็นไหมว่าถ้าเรามีศีลใจเราสงบง่ายนี่ยิ่งข้อสําสำคัญมากไม่ร่างฝานสติตัวเองเราก็ฝึกให้มันมีสติสัมผัชนยาขึ้นมาพรามีศีลเราก็จะได้ทำบางอย่างมามีศีลข้อ1เราจะได้ความเมตตากรุณาโดยง่ายมีศีลข้อที่2เราจะได้การทำทานได้โดยง่ายมีศีลข้อสนะั้นเราจะได้สันโดษโดยง่ายมีศีลข้อสี่เราจะได้สัจจะโดยง่าย มีศีลข้อห้าเราจะได้สติสัมปชัญญะโดยง่ายอย่างศีลเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องสําคัญคนยุกนี้หน้ามืดตาบอดไปหมดแล้วไม่ถือศีลถือว่าศีลเป็นเรื่องของคนโง่เพราะว่าไม่รู้จักคุณค่าของศีลศีลนําความสุขมาให้ศีล น, นําไปสู่มรรคผลนิพพานได้ใจเป็นสงบแจมตั้งมั่นก็สามารถที่จะไปเดินปัญญาต่อได้ง่าย เมื่อเรามีศีลแล้วเราฝึกจิตให้มีสมาธิคือฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวการฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องนะั้นมีสองอย่าง 1. ถ้าจิตฟุ้งซ่านฝึกให้จิตสงบได้พักผ่อนสองถ้าจิตสงบนี้แล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อจะได้เจริญปัญญาวิธีที่จะฝึกจิตให้สงบก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสมีหลักเท่านี้เอง จะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้แต่นี้ไม่พ้นหลักข้อนี้คนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขอยู่กับพุโทโธพุโทโธมีความสุขพุโทโธไม่ยั่วกิเลสแป๊บเดียวจิตก็สงบคนไหนชอบรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขลมหายใจไม่ยั่วกิเลนด้วยหายใจไปด้วยใจที่สบายมีความสุขแป๊บเดียวก็สงบถ้าใช้อารมณ์ที่ยั่วกิเลสอเช่นด่านคนอื่นด่าแล้วมีความสุขเวลดาด่าคนอื่นได้ก็มีความสุขนะ แต่มันยั่วกิเลสทำให้ราคาโทสะอะไรของเราก็เพิ่มให้โมหามกับเพิ่มอย่างนั้นใช้ไม่ได้งั้นเรารู้จักเลือกอารมณ์ที่พอดีกับตัวเราเองแต่ละคนนั้นใช้กรรมาฐานไม่เหมือนกันไม่ต้องเรียนแบบใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งการเรียนแบบอาจารย์ทางใครทางมันนะเส้นทางนี้สำรวจตัวเอง อยู่กับพุโทโธแล้วจิตใจมีความสุขความสงบก็อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถสอยู่กับอิริยาบถ ย, ย่อยอยา่างอยสายลงพ่าเทียนขยับไม้ขยับมือเป็นอิริยาบถ ย, ย่อยเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกหรืออยู่กับความรู้สึกสุขทุกข์แล้วสบายใจเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจในร่างกายจนะดูไปอย่างมีความสุขอย่างนี้ก็ใช้ได้หรือจะเห็นจิตใจทํางานก็ได้นะ ดูจิตโดูใจแล้วมีความสุขดูจิตใจไฟเดียวก็สงบเหมือนกันถ้าดูแล้วมีความสุขนะมันจะสงบเนี่อรู้จักเรื่องดูกรรมฐานบางอย่างไม่ได้เหมาะที่จะเอาไปเจริญปัญญาต่อเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเสียตัวอย่างนะกรรมฐานบางอย่างทําไฟแล้วมีความสุขความสงบมีริทมิเดตเช่นการเพ่งกสินนานาชนิดเพ่งลูกแก้วเพ่งเทียนเพ่งไฟเพ่งพระพุทธรูปอะไรพวก น, นี้มันออกข้างนอก ว่าจิตสงบได้ไหมได้มีริดมีเด่นได้ไหมมีนะแต่โอกาสที่จะต่อขึ้นเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกาใจตัวเองนั้นทำลำบากหน่อยอนะย่าเว้นแต่อาศัยสติปัญญามากนะอย่างเราเล่นไฟหลวงพ่อเคยเล่นกับสินไฟนะเพ่งไฟไปกำหนดให้ไฟไหม้ได้ไม่รู้จะเอาไฟไปทาอะไรนะเอาไฟมาเผาร่างกายเนี่ยกลับมาที่กายละ ไฟมาเผากายนะกายไหม้สลายไปหมดเลยเหลือจิตอันเดียวเด่นขึ้นมาแล้วพอมีร่างกายขึ้นมาใหม่นะมันจะเห็นชัดเลยว่ากายกับจินนี่คนละอันมันแยกขันได้เลย น, ะน่เป็นวิธีการนะซึ่งยากกนะว่าเราจะเล่นกสินสำเร็จก็ไม่ใช่ง่ายง่านะงั้นทำกรรมฐานอะไรที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราเนี่ยดีที่สุดอย่างใช้พุโทโธพุโทโธเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยใจคือพุโทโธเรารู้ทันใจตัวเองไป รู้ลมหายใจรู้อิริยาบถสี่รู้อิริยาบถย่อยนี่กรรมฐานเนื่องด้วยกายรู้ความสุขความทุกข์นี่กรรมฐานเนื่องด้วยใจนะรู้ความดีความชั่วกรรมฐานเนื่องด้วยใจรู้การทํางานของจิตนี่เป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยใจถนัดอะไรเอาอันนั้นถนาดดูกายก็ดูกายพื่ยากมีความสุขถนัดดูใจก็ดูใจเพื่ยากมีความสุขถ้าดูไปด้วยใจที่มีความสุขดูเล่นๆอย่าไปมองไจหลัก แป๊เดียวจิตจะสงบถ้าดูไตรลักก็เป็นการเจริญปัญญาต่อไปเลยเห็นไหมมันพลิกนิดเดียวเราทำกรรมาฐานดูกายดูใจอยู่แล้วเนี่ยทีแรกเราดูตัวกายเราดูตัวใจได้สมถะมันพลิกนิดเดียวไปดูไจรักษ์ของกายของใจขึ้นวิปัสสนาไปเลยแต่ยังไปดูพระพุทธรูปข้างนอกนะมันไม่มาขึ้นวิปัสสนานะมันออกแฝงนอกนะเงั้นทํนากรรมฐานนะสักอย่างหนึ่ง ดูตัวเองเหมาะกับกรรมฐานอะไรก็ใช้กรรมฐานอนั้นไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นหลวงพ่อตอนเด็กๆใช้อนาปานสติเป็นหลักเลยพวกเราไม่ต้องใช้อนาป า, า, านาาสติหลวงพ่อเล่นกระสีนไฟเล่นกระสีนแสงพวกเราไม่ต้องเล่นไม่จําเป็นนะทางกายทางมันแล้วต่อมาหลวงพ่อมาจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตพวกเราไม่ต้องดูจิตถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูเวทนาดูเวทนาถนัดดูจิตก็ดูจิตนะ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่การดูนั้นใช้หลักอันเดียวกันสมถาก็มีหลักอันเดียวก็วคือน้ำจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสน้อำจิตไปอยู่ในอารมณ์ น, นั้นอย่างต่อเนื่องแค่นั้นจิตใจมันจะมีความสุขใจมันจะสงบทําไมใจถึงไม่สงบเพราะใจวิ่งพล่านไปหาความสุขที่อื่น มันวิ่งไปดูรูปมันหวังว่าจะมีความสุขมันวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจหวังว่าจะมีความสุขแล้วมันหาความสุขไม่ได้มันก็เลยต้องวิ่งไปเรื่อยๆถ้าเรามีอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิ ต, ตดวงนี้ก็จะไม่เที่ยวสุกซนไปที่อื่นจิตก็จะอยู่กับความสุขนะพอจิตมีความสุขจิตจะมีความสงบจําไว้นะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ พราะเราชาวพุทธมันชอบกลับหัวกลับหางคิดว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสุขสมาธิชั้นต่ํำดอกที่มีความสุขในชานแปดชานนะั่นที่มีความสุขคือหนึ่งสองสามเท่านั้นเองพอถึงชานที่สี่ไปอุเบกขาไปหมดละสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยไปอุเบกขาแล้วนะงั้นที่ว่ามีความสุขความสูงเป็นขั้นต้นๆเท่านั้นเองยังถ้าใจมีความสุขใจก็สงบหาอารมณ์ที่มีความสุขมาให้ใจอยู่ใจก็สงบนี่คือสมาธิสงบ ฝึกเอาไว้เพื่อจะได้พักผ่อนอยู่ในโลกเครียดมีปัญหาร้อยแปดนะสารพัดทุกวันทุกวันใจมันเครียดหาที่อยู่ให้ใจมีความสุขบ้างจะไปหาที่อื่นให้ใจมีความสุขนั้นเป็นไปไม่ได้ไปหาตามผับตามบาร์ตามอะไรนี่ไม่ได้มีความสุขจริงนะไปหาตามที่ทัศนจรที่ท่องเที่ยวกินเหล้าเมายาไม่ได้มีความสุขจริง ม, มีความสุขอยู่ในใจของเรานี่ได้นะถ้าฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุข ไปสังเกตตัวเองอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขก็อยู่กับ น, นั้นอยู่เล่นๆการอยู่ไม่ใช่บังคับอยู่ไปหมายถึงแค่เรารึกรู้อารมณ์ น, นั้นไปสบายๆอย่างหลวงพ่อถนัดรู้ลมเนี่ยงพ่อรู้ลมแล้วมีความสุขรู้ลมมันจะสงบทันที น, นจะรวมทันทีนิสัมมัตถะชนิดที่หนึ่งนะทเพื่อสงบอยู่ที่อารมณ์อันเดียว จิตที่อยู่กับอารมณ์เดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะก็คืออารมณ์นั่นเองสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิของผู้ปฏิบัติก็คือลักคนูปนิชฌานจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมีลักษณะที่เบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะควรแก่การงานไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ถึ้ ถ้าปฏิบัติแล้วหนักแน่นแข็งซึมทื่อไม่ใช่ตัวจริงของปลอมใช้ไม่ได้วิธีที่จะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ต้องรู้หลักผู้รู้นั้นตรงข้ามกับอะไรผู้รู้ตรงข้ามกับผู้หลงถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าหลงเมื่อนั้นจะรู้ทําไมเมื่อรู้ว่าหลงแล้ว ร, รู้ขณะที่จิตหลงนั้นจิตมีกิเลสตัวหนึ่งชื่อว่าอุทัจจะความฟุ้งซ่านวงการจิตอยู่ทําให้จิตวิ่งพล่านไปในอารมณ์อื่นะ เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะมีกฎของธรรมะนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่คือกฎของธรรมะนะกฎอันนี้เที่ยงนะเราบอกทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่เฉพาะสังขารเท่านั้นไม่เที่ยงแต่ธรรมะตัวนี้เที่ยงนะนั้นตัวกฎของธรรมะนี่เป็นของเที่ยงอริยศาสตร์เนี่ยของเที่ยงน ย่ามั่วนะว่าทุกอย่างไม่เทีย่ยงพระเจ้าใช้คําว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทำทั้งหลายเป็นอนัตตาทำนั้นเที่ยงทำนั้นไม่ทุกข์หรอกอย่างนิพพานเป็นธรรมอันหนึ่งมีบร ม, มสุขเนีย่ยของที่ไม่เที่ยงคือความปรุงแต่งทั้งหลายของปรุงแต่งทั้งหลายคือตัวขันห้านี้แหละวิธีที่จะฝึก วิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไว้จิตฟุ้งซ่านหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปเพ่งให้รู้ทันจิตมันเคลื่อนไปนั่นแหละให้รู้ทันแต่อย่ารักษาจิตให้จิตเคลื่อนเรารู้อย่ากลัวจิตเคลื่อนแล้วบังคับไม่ให้เคลื่อนถ้าบังคับไม่ให้เคลื่อนจิตจะหนักเจนแน่นจะแข็งจะซึมจะทื่อเป็นอกุศลจิตทันทีเลยเป็นโทสะมูลจิต แต่ถ้าเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะถนัดพุดโทโธพุโทโธไปถนัดหายใจหายใจไปแต่ไม่ได้พุโทโธไม่ได้หายใจเพื่อให้จิตสงบอยู่กับพุโทโธและลมหายใจไม่ได้ให้จิตสงบอยู่ที่ท้องที่มือที่เท้าที่ลมนะเหมือนที่ฝึกกรรมฐ า, านแบบแรกสมาธิแบบแรกแบบแรกนะัให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์แบบที่สองเนี่ยดูอารมณ์เป็นแบกกล่าวแล้วรู้ทันจิตเคล็ดอยู่ตรงนี้นะเย่นสายหลวงพระเทียนขยับมือ ขยับมืออย่าไปดูมือถ้าขยับมือแล้วดูมือคือสมาธิชนิดแรกคือการเพ่งอารมณ์ถ้าอยขึ้นวิปัสชนะได้ต้องมีสมาธิที่ถูกขยับไปแล้วรู้ทันจิตที่หนีขยับแล้วรู้ทันจิตที่หนีหรือดูท้องของยุบแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปรู้ลมหายใจแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปจิตจะหนีสองลักษณะหนึ่งหนีไปหาอารมณ์โดยเฉวาะหนีไปหาความคิดอันที่สองหนีไปเพ่งอารมณ์ ขยับมือเราไปเพ่งใส่มือให้รู้ทันขยับมืออยู่แล้วหนีไปคิดให้รู้ทันตรงที่หนีไปคิดแล้วรู้ทันนี่แหละภาวะแห่งความตื่นจะเกิดอัตโนมัติแต่ตอนที่ไหลไปเพ่งแล้วรู้ทันภาวะแห่งความตื่นจะไม่เกิดอัตโนมัติทำไมขณะที่ไหลไปคิดเรารู้ทันภาวะแห่งความตื่นเกิดเพราะขณะที่ไหลไปคิดนั้นจิตหลงจิตมีโมหะ นะจิตเป็นอกุศลทันทีที่สติระลึกรู้อกุศลดับทันทีเลยการไหลไปคิดดับทันทีภาว่าแห่งการรู้ก็เกิดส่วนการที่ขยับมือหรือดูลมหายใจนะมีสตินะแต่สตินะจ้องอยู่ที่ตัวอารมณ์เป็นสมถะอยู่ตัวนี้ไม่ใช่อกุศลเพราะงั้นสติไปรู้ไม่ดับหรอกมันไม่ใช่อกุศลนเพราะงั้นถ้าปล่อยให้หลงแล้วรู้ว่าหลงดีกว่าบังคับเอาไว้ แล้วเมื่อไหร่จะเลิกเพ่งนะไม่เลิกหรอกตราบใดที่ยังอยากเพ่งอยู่ทำไมถึงเพ่งเพ่งเพราะอยากอยากอะไรอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ก็เลยไปเพ่งเอาไว้นะะระวังนะเผลอแล้วรู้ว่าเผลอดนะีจะเกิดภาวะแห่งการรู้เพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งไม่เกิดหลอกจนกว่าจะเลิกเพ่งแต่เผลอที่ว่าดีๆเนี่ยมีความเสี่ยงไปอบายได้ เพ่งที่ว่าไม่ดีเนี่ยมีผลไปสุขตินะนี่ยมนมีข้อดีข้อเสียทั้งคู่นะมันไม่ใช่มีอะไรดีอย่างเดียวเผลอแล้วรู้ดีที่สุดเผลอแล้วไม่รู้ไปทุคติเพ่งอยู่เนะเรารู้ว่าเพ่งนะก็ยางเพ่งอยู่กันนะไปสุขตนะิแต่ไม่ไปนิพพานก็นะละเรื่องกันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ ใช้กรรมฐานต่อยอดมาจากของเดิมที่ตอนฝึกให้ใจสงบก็ได้ถนัดรู้ลมก็รู้ลมไปแต่ไม่รู้ลมเพื่อจะรู้ลมเรารู้ลมเพื่อรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดถนัดขยับมือทําจังหวะก็ขยับไปแต่ไม่ใช่ไปรู้มือให้รู้ทันจิตที่หนีไปคิดทันทีที่รู้ว่าหนีไปคิดภาวะแห่งความตื่นจะเกิดอัตโนมัติเพราะคิดก็รู้นั้นเหมือนเหรียญนั่นเดียวกันนะกลับข้างกันะกลับข้างกันเท่านั้นเอง เมื่อภาวะแห่งการรู้เกิดขึ้นแล้วนะต่อไปก็แยกขันบางคนที่เคยเจริญสติเจริญปัญญามาแต่ชาติตปางก่อนเนี่ยพอตัวรู้เกิดปุ๊บขันแยกปรับอัตโนมัติเลยนะจะแยกอัตโนมัติหลวงพ่อเล่าของตัวเองนี้ไม่ไม่ได้โ อ, อ้วดนะขี้เกียดอวดหร อ, อวดมันกิเลสเล่าเป็นอะไรนะตัวอย่างทางวิชาการตอนหลวงพ่อสิบขวบประมาณนั้นนะ เล่นอยู่หน้าบ้านบ้านเป็นตึกแถวเล่นอยู่หน้าบ้านไฟมันไหม้ตึกแถวแถวเดียวกันแนะหละห่างออกไฟสีห้าห้องเห็นไฟมันพุ่งออกมานะควันตลบออกมาตกใจตกใจกลุกขึ้นวิ่งจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ข้างบ้านวิ่งไปก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองไม่มีสตินะก้าวที่สความรู้สึกตัวเปิดสวิตซ์ปึบขึ้นมาเลยนะภาวะแห่งการรู้สึกตัวเกิดขึ้น เห็นร่างกายวิ่งนะเห็นความตกใจก็เด่นออกไปอยู่ส่วนหนึ่งนะขันมันแยกเลยขันมันแยกเลยนะแล้วก็ยืนไปบอกพ่อแล้วคราวนี้ดูคนอื่นตกใจจิตเราเป็นคนดูแล้วคราวนี้เราไม่ตกใจเราเห็นคนอื่นตกใจเห็นเขาวิ่งไปวิ่งมาเราไม่ตกใจนะนี่ทำไมมันแยกเพราะว่าเราเคยแยกต้องฝึกมานะ แล้นพวกเราถ้าคนไหนเคยฝึกมาแต่ชาติฟังก่อนแล้วเนี่ยมันแยกอัตโนมัติเลยทันทีที่ภาวะแห่งการรู้เกิดเนี่ยขันแยกเลยแต่ถ้าไม่แยกต้องช่วยมันแยกจำไว้นะถ้าไม่แยกต้องช่วยมันแยกเช่นเราทําสมาธิไปจิตออกจากสมาธิมานะจิตเด่นดวงนิ่งเฉยอยู่งนะั้นอ่ะสงบนิ่งอยู่ไม่ยอมเดินปัญญาเลยวิธีช่วยมันแยกทําได้หลายอย่างที่ครูบาอาจารย์วัดฝาท่านใช้คือการคิดพิจรารณา คิดไปเลยร่างกายนี่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ่งจะดุกนะัเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรคิดคิดเพื่อกระตุ้นให้จิตมันหัดมองไตรลักษณ์ของรูปนามนะถ้าเราจะดูจิต ด, ดูใจแล้วก็พยายามดูไปสอนมันไปเออตอนนี้มันสงบนะความสงบนี้ก็เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ความสงบนี้คิดให้มันเป็นสองไว้นะพยายามคิดให้มันเป็น2ไว้ ร่างกายมันหายใจนะจิตเราเป็นคนดูอยู่นี่คิดให้มันเป็นสองไว้หัดคิดให้มันเป็นสองไว้นะแล้วก็ต่อไปจิตมันจะหัดมองเองนั่นจะเห็นหรือเรานั่งสมาธิเราเรานั่งไปไม่ต้องตกใจว่าทำไมมันจะแยกขันได้ไงรู้สึกตัวแล้วจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูไปถ้าตรงนี้ยังไม่เห็นก็ลองขยับมือดูเห็นร่างกายขยับมือใจเป็นค <ะ S 2> นดูเอายิ้มหวาน เห็นร่างกายยิ้มใจเป็นคนดูเน้่ฝึกอย่างนี้ร่างกายพ ย, ายักหน้าใจเป็นคนดูร่างกายขยับมือใจเป็นคนดูค่อยๆหัดไปมันคงไม่งโง้สาหัดจนคันนั่งแยกไม่ออกหรอกนะถ้าฝึกๆไปเรื่อยมันก็แยกจนได้แหลนะพอแยกได้แล้วแยกรูปแยกนามได้แล้วคราวนี้เราถึงจะทําวิปัสสนาได้จริงก่อนหน้านี้ทําไม่ได้นะเพราะว่าขันไปรวมเป็นก้อนเดียวกันมองไม่เห็นเกิดดับต้องแยกจนถึงสภาวะธรรมเชิงเดี่ยวนะเช่น เห็นสุขเกิดขึ้นแล้วสุขก็ดับไปทุกเกิดขึ้นแล้วทุกก็ดับไปอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะถ้าเห็นว่าความสุขไม่เที่ยงเพราะเมื่อวานมีความสุขวันนี้ไม่มีความสุขเนี่ยเทียบสภาวะคนละอันกันอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนานะั้นต้องเห็นสภาวะอันเดียวกันนี่แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะใช่เมื่อวานโกรธ ว, วันนี้หายโกรธแล้วนี่จิตไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนาเป็นการคิดเอาเป็นการเทียบคนละห่วงเวลาคนละสภาวะ ถ้าจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยสภาวะที่กําลังปรากฏ ต, ต่อหน้านี้แหละแสดงไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเป็นคนละสภาวะคนละเวลานะอย่างเราเอารูปของเรามาดูเวปีไกลาสาวกว่านี้ปีนี้แก่ลงนี่ร่างกายนี้ไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่วิปัสสนาเป็นการเปรียบเทียบงั้นเราดูสภาวะที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะเห็นร่างกายหายใจมันรูปมันรูปที่หายใจออก มีอยู่รูปหายใจออกสิ้นไฟมีรูปหายใจเข้ารูปหายใจเข้ามีอยู่สิ้นไฟมีรูปหายใจออกอะไรเงี้ยนี่เป็นตัวอย่างที่ทําให้ดูง่ายนะแต่ถ้าดูรูปจริงๆยังต้องดูให้ถึงธาตุธาตุดินน้ําไฟลมซึ่งดูยากมหาศาลเลยถ้าไม่ทรงสมาธิจริงจริงดูไม่ออกเลยนะดูได้แต่รูปข้างเคียงเรียกวินยติรูปรูปเคลื่อนไหวพวกนี้ดูง่ายแต่มันไม่ใช่ตัวมหาภูติรูปที่ตัวจริงของรูป ถ้าดูนามาง่ายนะสุขทุกข์ดีชั่วเป็นสภาวะเชิงเดียวทั้งหมดเลยสุขก็คือสุขสุขไม่เหมือนทุกข์สุขไม่เหมือนเฉยดีก็ไม่เหมือนชั่วโลภไม่เหมือนโกรธไม่เหมือนหลงนะโกรธก็ไม่เหมือนความโลภไม่เหมือนความหลงอะไรเนี้ยสภาวะเชิงเดี่ยวพอเห็นสภาวะเชิงเดียวตัวเดี่ยวเดียวแล้วเนี่ยเรียกเห็นสภาวะธรรมนะตัวนี้แหละจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูนะก็ะจัดแยกขันออกไปแล้วก็จะเห็นขันแต่ลักษณ์ รูปแต่ละรูปนามแต่ละนามเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะจะเห็นอย่างนี้นะถ้าเห็นอย่างนี้ได้ทีแรกจะสั่นสะเทือนตัวเองใจจะสั่นสะเทือนเลยตกอกตกใจบางคนแปลงฟันอยู่เกิดเห็นไอ้ตัวที่แปลงฟันอยู่ไม่ใช่เราขึ้นมานะเป็นอะไรอย่างหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ใจสั่นสะเทือนนะตกตกใจว่าตัวเราหายไปเสียใจร้องไห้เลยว่าตัวตนของเราหายไปหารู้ไม่ว่าตัวตนนั่นคือตัวทุก ตัวทูกหายไปนะสมน้ําหน้ามันแต่ว่าใจเรายังยึดติดอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเสียดายถ้าเสียดายก็ให้รู้ว่าเสียดายแยกความรู้สึกเสียดายออกไปอีกยัในใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางแล้วรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางไปจนวันหนึ่งปัญญาเกิดมันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปสุขเกิดแล้วสุขดับทุกข์เกิดแล้วทุกข์ดับดีหรือชั่วเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนั้นสุขกับทุกข์ก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ เวลาฟังหลวงพ่อพูดนะจำไว้ให้ก็จําให้ได้ครบนะไม่ใช่ไปบอกว่าหลวงพ่อประโมทบอกดีกับชั่วนั้นเท่ากันนะนั้นเสมอกันนะหลวงพ่อบอกว่าดีกับชั่วมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่คุณสมบัติของมันเท่าเทียมกันชั่วต้องไม่ทําดีต้องทําแต่ทั้งดีและชั่วนั้นมันเป็นไตรลักษณ์พอเราเห็นถึงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตจะเกิดอุเบกขาด้วยปัญญาอันยิ่งจิตที่เกิดอุเบกขาด้วยปัญญาอันยิ่งคือประตูแห่งอริยมรร ค่อยๆฝึกไปจนวันหนึ่งจิตเห็นความสุขก็อย่างนั้นๆแหละก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ก็งั้นๆแหละมันไม่เที่ยงใจมันไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นต่อใจไม่ปรุงต่อรู้แล้วจบลงที่รู้คําว่าสักว่ารู้ว่าเห็นนี่ไม่ใช่พูดเล่นๆนะเพราะนากันเป็นปีๆเลยกว่าจะสักว่ารู้ว่าเห็นจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้หมายถึงว่าจิตมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์มันถึงสักว่ารู้ว่าเห็นไงั้นก็ดีแต่ปากแหละมันไม่สักหรอกนะ ค่อยๆฝึกนะจนกระทั่งวันหนึ่งมันสักว่ารู้ว่าเห็นได้เห็นสภาวะทั้งหลายเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งถ้ายังรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งอยู่จิตยังปรุงต่ อ, อยังดิ้นรนต่อสร้างพบสร้างชาติต่อตรงที่รู้โดยไม่ปรุงต่อด้วยปัญญาอันยิ่ง น, น, นะความปรุงแต่งจะขาดทันทีที่ความปรุงแต่งจะขาดนะเราจะสัมผัสตนิพพานขั้นแรกก็เป็นพระโสดาบันนะ นิพพานเป็นอะไรนิพพานเป็นความไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากเรียกว่าวิราคขนะนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากรูปนามเป็นวิมุตนะเป็นภาวะที่มีอยู่จริงนะพยายามฝึกเข้ามีศีลฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วแยกขันเจริญปัญญาดูไตรลักษณ์ของขัน ถึงวันหนึ่งก็จะสัมผัสพนิพาณเมื่อวางขันไดนะ้ไม่ยากเกินหรอกอ่าไปกินข้าวไป